Copyright g o l like, a München Book <two. S 1> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งคุณคน <Person oid S 1> ดิฉันมีดิฉันและคุณ มิไกวิเราทั้งสองอัมบาเนีเขาลีเขาและเธอลีไกชิเขาทั้งสองอัมบาอีลีผู้ชายลาวร ผู้หญิง La Virino เด็ก La Infano ครอบครัว Familyo <io S 1> ครอบครัวของดิฉัน Mia f a m i l i o ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ Mia f a m i l i ดิฉันอยู่ที่นี่ mi estas สชิตีคุณอยู่ที่นี่วีเอสตัสช i ตีเเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ li estas สชิตี ใคช้เอสตัสชิตเเราอยู่ที่นี่นี่เอสตัสชิตเคุณอยู่ที่นี่วีเอสตัสชิตีเพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่อิลิชิวยเอสตัสชิตเ